ประทันประสมขอธรรมสการข์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนที่ขอรบยังสือนและขอขอขัดาัคนสสมทุกท่านให้ขอเชิญพรอมยินยมและนักปฏิบัติธรรมยินยมทุกคนครับครก็ทำสบายๆนะครับ ก็าแจงเคยที่ตามมาเ <c> พ <oughs> ื่อภาษาไทยเ็ยังไม่ชัดขอขอไปเรื่องหน้าว่าฟันไม่ค่อยชัดก็ขอไปด้วยก็เมื่อเช้านี้ก็ทองกอนที่จะรับประทานอาหารกลางอาจารย์สนสิงห์ขอเพอ เราไฮฟันผมก็เพิ่งทราบว่าอาจารย์สมชาย เ, าเสียชีวิตไปแล้วมนทีทีแล้วก็ก็ตกใจหน่อยเพราะว่ า, าทางคุณสมชายนี่ก็ผมก็ระลึกถึง ว่าตอนที่อาตมาบวชนันจาาแล้วก็ลังนจากอากบวชมาแล้วก็เขาก็ช่วยประตักสนับสนุนให้อาตมาปฏิบัติแล้วก็ทอนที่สมัยก่อนนี่คนญี่ปุ่นเป็นพวกนักศึกษา ก็มาที่วัปาสกระโตเพื่อจะได้สัมปัสชีวิตชาวบ้านก็เลยฝากชาวบ้านให้ดูแลอาทิตย์หนึง่งผมนั้นก็คนสนใจก็ช่วย กันดีนอกจากคุณสมใจก็พบญาติโยมเนี่ยเมเพียงก็ดีแม่สุดแอาเมขาวก็เชยรับยิพุ่งให้พักสามปัดกับชีวิตที่แท้จริงให้ดู ให้แล่งกับเด็กๆก็คนญี่ปุ่นหลายกองก็ได้ประสบการณ์ดีบางกองก็ก็ติดใจมากเฉพาะชาวบ้านตอนที่ดาจะพปอกแมวก็ร้องไห้น้มตาไหลก็หลายคน ก็ธมาก็ขอขอบคุณนี่ระลึกถึงแล้วก็ออความดีความบพื้นใจที่อย่าธรมาก็อยู่ที่งี่ก็อาศัยพ <c oughs> อยยอยากย่อชาบ้านโดยเฉพาะสมใจก็ดีแล้วก็วันนี้ก็ระลึกถึงเพื่อที่ ตอนนี้มาอยู่แล้วที่เสียชีวิตไปนะพ อ, อาสามีแม่เพียงพอผู้หาก <c oughs> ็พออ่อท้องก็พอ่อนูแม่อาแม่ใบอ๋อก็ ได้บุญเอ่อระถึงบุญคุณที่ช่วยเหลือสนับสนุนวัดป่าสุกโตแล้วก็พระสมามากันนอกจากนี้ก็ระถึงพระสมที่คนเคยกันที่ได้อ่ เรียนรู้เกี่กีกัรแข่งหลวงพ่อเทศก็อหลวงพ่อชาลันหลวงพ่อนุกก็ก็ดีที่มีประสบการณ์เรียนรู้จากท่านได้หลายเรื่อง บันทีก็ก็ทรกลกับหรวพ่อห น, นุกไปบ้านแต่ว่าแก่ไขได้เป็นเป็นการเงนต่อไปก็คิดอาโอกาสที่ดีก็ธรรมาก็รู้สึกว่าเออดูจากพูมกลุ่มภูมิุ้มสนก็อยากจะ อ, อ พู้ที่แก่ผู้ที่เรีอนรับไปแล้วซึ่งตามมาที่ได้สัมปัดแล้วก็ได้เรียนรู้มากมายก็น่าจะทำพธนทมคุสมให้ามากขึ้น พอทำบุญทำกุศลก็ปฏิบัติธรรมให้เข้าใจธรรมะไปให้มากนอกจากนั้นก็เผยแผ่ธรรมะก็ตอนนี้ก็คนญี่ปุ่นก็สนใจ มาที่วัดปัสกโตเพื่อปฏิบัติธรรมมาขึ้นแต่ก่อนอนี้พวกคนญี่ปุ่นที่มาที่นี่ส่วนมากก็ไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาโฮมสเตย์อยู่กับชาวบ้านเรียนรู้วัฒนธรรมปาเตนีแล้วก็ประสบการณ์จากชีชวิตชาวบ้าน ทำมาแต่สมัยนี้พวกนี้ก็น้อยลองแต่เน่าแต่ว่าเป็นคนที่เป็นทุกข์อยากจะแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติธรรมเพราะพวกเขาไปที่โรมพยาบาลไปที่คลินิกกินยามาหลายปีก็ไม่หาย มันจิตมันซึมเศร้าเป็นปีปกติก็แก้ไม่ได้แต่พอดีได้เข้าอบรมการปฏิบัติตามที่ธรรมาไปญี่ปุ่นจัดงานหรือว่าที่ ผมก็เขียนนั้นซื้อมานายสนเล่มเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนบทธรรมะการปฏิบัติเรื่สติแล้วก็ช่วยกันไปเรื่องอาจารย์คำปนจิตสดสายแม่เป็นพิการนี่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่น ก็คงทักอันแล้วก็เข้าใจเออสนใจอาจจะแก้ไขปัญหาจากธรรมะได้บ้างก็เลยมาแล้วก็ออของส่วนมากก็ลายผมจริงๆการ น, นี้ก็คิดว่าเต็มหน้าที่ หรือว่าตบเต็มบุงกุลงต่อผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านแล้วก็พระบุทเจ้าหลวงพอ่อเป็นนาทีของผมด้วยเลยว่าจะตั้งใจไปเรื่อยเรื่อยเดือนนี้ก็เขียน หงันสือเป็นวารนวาฬ ส, สารญี่ปุ่นสามเล่มสี่เล่มก็เรื่องธรร ม, มานี่เองเดินหน้าก็กำลังเขียนจะสอนเล่มก็สมัยนี้คนญี่ปุ่นก็มีคนก้าตัวตายกันหลายปีหนึ่งก็ ามเมืกว่าวันหนึ่งก็ร้อยกว่าคนตายกันคนที่จะตดอรอนตายก็สิบเท่าก็วันหนึ่งก็หนึ่งพังคนก็ก้าทายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ไปรอดไม่ตายก็ไปเก่าลมไปราบาล เอาอยาตามพิษอะไรแต่ว่ามันทุกข์กัมากบางที่เคยมาที่นี่ประมาณยี mm ่สิบกองก็เคยเป็นอย่างนั้นกล้าตัวตายและไปโรดแต่ว่ามันก็มีอาการยังแก้ไขไม่ได้บ้าง กายกับจิตใจยังไม่ซ่อมแสมได้ดีก็เลยมารักษาที่นี่ก็มีกันก็ตอนนี้ก็ที่ญี่ปุ่นของที่แต่ก่อนนี่ก็อ่ คนที่รู้จักพุทธศาสนาสายเทรว่านี่น้อยมาก <c oughs> เพราะว่าที่ญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่เป็นพุทธศาสนาตามมหายาม น, นับถือพุทธเป็นมหายาณประมาณห้าสิบคนห้าสิบเปอร์เซ็นตได้ โน่นั้นเป็นนับเตอรซินโตเป็นอีกยานหนึ่งเป็นาศาสนาเก่าๆของญี่ปุ่นแล้วก็มีนับเตอคริส ก, ก็มีนิดหน่อยแต่ว่า ศาสนาพุทธมหายานที่ญี่ปุ่นสมัยนี้ก็มีพิธีรีตองกันมากก็ไม่ได้สองการปฏิบัติก็มีคนตายก็สวดม ง, งกันแล้วก็ให้เข้าสุสานอยู่ในวัด สาบิญญาณให้กำคนญี่ปุ่นที่ไปวัดก็ไหวบูชาบรมพบหุษต่อหน้าสุสานไม่ได้เข้าไปบอดพอบเรียนรู้จากพัสสะสมได้ก็เลย มันก็ขาดแคลนใจแต่ว่าในสิบปีนี้ที่ผ่านมาออหรือว่าเจ็ดห้าปีเจ็ดแปดปี <c oughs> ออพระเทรวาตจากศรีดังกา นี่ก็พระศีรังกามาปฏิบัติอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ก็พระศีรังกามันท่านก็เขียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยผพืภาษาญี่ปุ่นก็เก่งๆแล้วก็เขียนหนังสือได้หลายเล่ม จากมือลไต้ก็มีพระอยู่ที่นั่นอยู่มานานอาจจะเป็นได้ปีสิบปียี่สปีได้แต่ว่าเป็นสายธรรมกายก็คนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยสนใจเพราะว่า ธรรมกายนี่ก็สอนแต่คนตายเป็นส่วนมากแล้วก็ธรรมะนี่ก็ก็ไม่ก้อยอาจจะไม่ก้อยซับซึ้นต่อจิตใจของคนญี่ปุ่นก็เลย ก็ไม่กยคนญี่ปุ่นก็ไม่ก้อยรู้ก็มีวัดก็มีคนไทยที่ญี่ปุ่นไปทำบุงการเป็นส่วนมากแต่ว่าพาะศรีรังกาทั้งก็สองการปฏิบัติทำด้วยแล้วก็เขียนหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นชัดมาก ก็เลยคนญี่ปุ่นหลายองคก็ปะตัดใจสนใจพุทธศาสน า, าสายเทราวามากแล้วก็คนที่สนใจปฏิบัติท่านศิรังกาท่านก็สนอน วิธีการายืบหนอพอนหนอนจากปามากเเรียกก็เป็นมหาศีมหามหาิมาวิธีมหาศิเพราะว่าทีมหาศิเป็นพระเทระ ของปามาทั้งก็เผ <c oughs> ยแต่แล้วก็ก็คนยิบเงก็ไปเรียนรู้ปฏิบัติไปบ้างนี่ก็คิดว่าเป็นดีเป็นคนที่สนใจแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ผลดี แต่ว่าคนที่ปฏิบัติ ท, ทีนั้นบางกองก็มันยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งอึดอัดใจยิ่งเครียดก็มีเพราะคนริปุ่ก็นิสัยก็เครียดง่ายแล้ว แล้วก็ยิง่งเพ่นสมาธิเอาคำคาศัพท์มาติดกับใจมาเรียกว่าลาเบ l ิงสติ i t c h e ต่อจิตใจที่เกิดกึ้มถ้าจิตใจ ความโกรธก็ในใจเพื่อในใจว่ า, าความโกรธ อ, อาจจะเป็นมานะทิฏฐิมันเกิดขึ้นก็อ่องมานะติเชื่อไปเรื่อยไปอาจจะเป็นว่าบริกรรมก็ได้บางทีก็ทิดเชื่อมันเป็นความคิดอะไรเกิดขึ้นก่อ ว่าบิดพลาบิดพลาจิตบิดลามันจิตไปเรื่อยๆพบางองก็เกิดอาการว่าก็ยิ่งอ่านึกถึงความโกรธนึกถึงมานะนึกถึงบิดพลาจิตบิดพลามากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อทุกมันจ่าสอนซ้าๆไปเพราะว่าเป็นภาษานี้ก็มีลักษณะทําให้เกิดจุดภาพเป็นอิมเมจก็เกิดขึ้นด้วยมันทันเจอแล้วติดเจอแล้วก็เหมือนกับว่า เรามีความกรดแม่ก็ว่าดาวัดของอคนเป็นความกรดหรือว่าจิตก็เป็นหลมก็จิตเ่อว่าเป็นล้นหรือว่าริพราดอะไรก็ความคิดปรุงแต่งไปแล้วก็ก็ติดเจอไปแล้วก็ยิ่ง ใจมันก็ อ, อ่อนแอหลมไปก็ได้หรือบางกองก็มีอาคารมาติดเจอปลายแล้วก็มันเป็นไม่ ไ, มได้เห็นความคิดอะไรจริงๆเป็นความคิดเช่นนังเองความคิดเป็นเรื่องนึ่นเรื่องใด ไม่ใช่เป็นดีไม่ดีแต่ว่าติดชื่อว่าเป็นพิพิลาชก็มันก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเป็นชัดไม่ได้ดูตามตามจริงความจริงก็เลยก็มุมมัวกันมากขึ้น มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่แหงคิดแล้วก็มันก็พยายามหยุดไปแต่ก็มันก็หยุดไม่ได้ก็คิดไปเรื่อยก็ยินงทะเลาะกับตัวเองว่าตัวเองไปมากขึ้นแพงอาคาร แล้วก็ใหม่จะแจ่มเป็นหลมเป็นโมโมหะไปกันมากขึ้นก็มีก็มันก็มีปัญหาแต่ว่าเราไม่รู้ก็เลยปฏิบัติไปเรื่อยๆืยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งตกไปยิ่งหลมไปยิ่งกิด อ, ดอจัจสับสมอางก็มากขึ้นก็มี ที่มาชวนชวนสองสามเดือนที่ตามมานี้ก็หลายองก็เคยปฏิบัติที่ญี่ปุ่นก็มีอาการเช่นนี้กันก็มากแก้ไขด้วยตรงแอมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้วิธียังเออแต่ว่าจบดีอยู่แล้วมาที่นี่แล้วก็ อ่านี่แหละยกเมืองสร้างจอมวะท่านงจงกลมโอ้เขาก็ดีใจที่จะได้แหงชัดขึ้นชัดขึ้ น, นไม่ได้ทะเลาะกับตัวเอไม่ได้ตันเจ็บบริกรรมไปแล้วก็มันจิตเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันดู ด้วยอาจิตที่เป็นเจนังจิตที่เป็นก็ธรรมชาติธรรมชาติจิตก็เพิดเผยได้ไม่ได้หลับตาบางบางกองหลับตาก็ก็นิ่ง เข้าไปอยู่ในใจแล้วก็ออกจากบ้านก็อยากลำบากขึ้นคนญี่ปุ่นสมัยนี้คนที่เป็นนุ่มๆสาวๆก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปเรียนไม่ก็ออกทำงานให้แม่พ่อเลียนเลี้ยน แม้ว่าแต่งยี่สิบสามสิบปีขึ้นไปครจะเป็นสี่สิบกึไปก็คืัว่าที่จะออกจากบ้านก็มีหลายของขึ้นกนแบบนี้ก็ปฏิบัติตามแบบที่ว่าเต็่นมันปิดตาก็ยิ่งกลัวออกจากบ้านด้วยก็มี แต่ว่าที่ยกมือสางจังวมาบรรจงกอนี่ก็ก็ทุกกองก็ทำง่ายใจก็เปิดเผยใจกว้างขึ้นแล้วก็ให้รู้จักชัดเจนกายกับจิตใจไม่ว่าด่ากันไม่ว่าบิดพลาดบิดพลาดก็ได้เป็นเป็นความคิด ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นความแล้วก็ดับไปให้เป็นธรรมชาติโดยไปชัดขึ้นเห็นธรรมะแปลงอนิจจานัตตากรมก็เป็นธรรมชาติก็ตมาก็ยิ้นสองคนญี่ปุ่นที่มาที่นี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงมันทุกน้อยลองไป ทุกคนก็มั่นใจกับการปฏิบัติธรรมวิธีนี้แล้วก็คำสองของนุปเทียนนุปคำเขียนมากขึ้นคิดว่านี้ก็มันเป็นโชคดีอาจจะเป็นของที่ทุกคนนั่นแหละอยู่ที่นี่ก็มีเบื้มบารามี มาก่อนก็ได้พบได้สัมปัดกับธรรมะที่เป็นถูกต้องเป็นตรงแล้วก็ก็ใจวิธีการนี้ได้จริงๆตั้งมาไม่ได้ว่าวิติอื่นแต่ว่า คองที่ไม่รู้เรื่อนแล้วก็อาจจะเป็นตัานใจไปแล้วก็ก็รอมต่างง่ายก็มีก็คิดว่าก็ค่อยๆจะแก้ไขปัญหารักษาใจ่อนที่เป็นทุกข์ ก็ให้คนทีมาปฏิบัติที่นี่ทุกคนก็จะได้ปฏิบัติตามรลอนดูเดินทางที่ถูกต้องอยู่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยจะได้ผมเป็นปัญ่าความทุก ป็นอิสระคนจิตใจมากขึ้นแล้วก็น้าที่ของเราทุกกองก็เผยแผ่ความดีความงามสิ่งที่เป็นถูกต้องให้คนในโลกนี้ครอบครัวก็ดีเพื่อนเือก็ดีเทียมหลอนในทุกให้ ออกจากความทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แทจ้จริงต่อไปนะครับก็เพ่อเป็นพอสมอกวรเกเวลาก็เพื่อเพียงแค่นี <c oughs> ้ครับิลพรครับ